รายการธรรมจัดสรรช่วงสนทนาธรรมใต้ร่มโพ สวัสดีคะ่ะช่วงสนทนธรรมแต้ล้มโพในวันนี้นะคะขอเสนอบทสัมภาษณ์ของพระอาจาราย์ไพศาลวิสาโลท่านจะอาวาสวัดป่าสุขโตอําเภอแก้งคร้อจังหวัดชัยภูมินะคะพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลท่านเป็นผู้ดูแลโครงการเผชิญความตายอย่างสงบซึ่งเป็นโครงการที่ทำการช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้ป่วยก่อนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนะคะ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรขอเชิญพบกับบทสัมภาษณ์พระอาจารย์ภัยสารวิสาโรต่อจากสัปดาห์ที่แล้วได้เลยค่ะก็อาตมาหลังจากที่แปลหนังสือเล่มนี้เนี่ยที่ Baton b o o ๊กออฟลิฟติ่ d d อนด์ดาของโซเกียร์ดินโปเชสก็เวลามีคนที่ใกล้ตายยาตมีเขาก็มาขอให้ไป ไปไปนําทางให้เริ่มนะคะพอเขียนตำราแสดงว่าต้องมีความเชี่ยวชาญชำนาญระดับหนึ่งก็ได้มีโอกาสไปไปพูดนําทางให้ให้กับผู้ผู้ใกลตายรายแรกนี่เลยเป็นอะไรคก็เป็นแม่ของเป็นแม่ของเพื่อนนะเป็นแม่ของเพื่อนซึ่งซึ่งเออซึ่งเป็นมะเร็งอายุก็ไม่มากหรอกห้าสิบได้แล้วก็ ตอนที่จะาไปก็เริ่มจากโคม่าแล้วฟังรู้เรื่องไหมเจ้าคะคือเราเชื่อว่าเราเชื่อว่าฝั่งจะเขาผู้ป่วยก็จะรับรู้ถึงตอนนั้นที่โรงพยาบาลหรือที่บ้านที่าาทโรงพยาบาลไปเที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลใช่คือเรามีความเชื่อว่าแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็หลักฐานมากมายที่ชี้เห็นว่าผู้ที่โคม่าแล้วเนี่ยเขาสามารถจะรับรู้เขาสามารถจะได้ยิน หรืแม้กระทั่งเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวก็ได้ตอนที่ตาเขายังหลับอยู่ตอนที่เขาหลับตาเขาไม่ตอบสนอง อ, อันนี้ถ้าถ้าถ้าสนใจก็จะจะพูดได้อีกยาวนะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้คือว่าเออเออ <S <S อัตมาก็จะก็ไปพูดนำแล้วก็การพูดช่นนี้เนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยมันช่วยช่วยทําให้ญาติทําให้ลูกเนี่ย เขามีความปล่อยวางได้คือมันเยียยาจิตใจของของคนที่เป็นญาติได้ในสองเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาได้ผู้ป่วยเนี่ยเขารับรู้หรือเปล่าแต่ว่ามันก็ลงเ อ, อ่ยว่าเขาไปอย่างสงบใช่ไหแล้วก็ท้าวเจตามราราบก็หลายคนที่เขาเอาแนวคิดแลวิธีการของหนังสือลำนี้ไปใช้นะเขาก็ได้ได้รับความพอใจหรือเขาก็รู้สึกว่ามันมัน work มันได้ผลอย่างน้อยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดความเปลี่ยนแปลงคือว่าไอ้ที่เคยร้องห h มร้องไห้ตอนหน้าข้างๆเตียงคนตายคนป่วยรรหรือว่าแม้ทั่งเมื่อเขาหมดลมแล้วเนี่ยจะไปทำอะไรกับศพเนี่ยตอนหลังเนี่ยหลายคนเขาก็ก็ไม่ทำใช่ไหมเมื่อแม้แม้ทั่งเอาหมดลมแล้วเนี่ยก็ยังมีการกล่าวคำนำทางให้กับผู้ตาย การบรรยากาศความสงบเนี่ยก็เริ่มก็เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นว่าแม้กระทั่งไม่ว่าจะก่อนตายหรือหลังตายเนี่ยบรรยากาศแห่งความสงบก็สำคัญ mm hmm. เราไปคิดว่าเขาตายแล้วเขาไม่รับรู้อะไรแล้วจะไปทำอะไรกับศพไปทาอะไรกับล่าง mm hmm. ก็เนี่ยมันก็ไม่น่าจะถูก mm hmm. นะเพราะว่าในเพราะว่าจิตนะเนี่ยจิตก็ยังอาจจะรับรู้อะไรได้ถ้าเกิดว่าญาติานเนี่ยสามารถพูดนาทาง ให้เขาเนี่ยปล่อยวางให้เขารู้ว่าความตายเกิดขึ้นกับเขาแล้วให้เขาปล่อยวองทุกสิ่งขอยให้เขน้อมจิตไปในทางที่เป็นกุศล<ม>ก็ทําให้ไปสู่สุกติได้อยากให้วิธีการที่จะนําทางเนะะี่ยค่ะอยากดูว่าขั้นตอนเริ่มต้นยังไงเพราะว่าเท่าที่เคยเห็นมาเองประสบกับตัวเองนะี่คือแบบจะให้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงแบบสิ่งที่ดีบุญกุศลที่ทํามาแล้ววิธีของพระจารย์นะคะเริ่มต้นด้วยการนําทางยังไงคะเ อ, อถ้าพูด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 เราจะไปให้ก็น้อมนึกถึงพระพุทธพระธรมพระสงค์เนี่ยบางทีเขาก็ใจไม่น้อมตามแต่ว่าเราเราเวลาเขาเราพูดถึงว่าเขาได้เลี้ยงลูกมาจนโตเขาได้ต่อสู้ฟันฝ่ากับชีวิตมาเขาได้ได้ช่วย เ, เลี้ยงดูพ่อแม่ให้ได้รับความสุดสบายเขาเลี้ยงลูกเ ล, เลี้ยงหลานจนทั้งโตพึ่งพาตนเองได้ เขได้อุทิศตัวเองให้กับการการให้กับครอบครัวนะอย่างนี้รวมทั้งการที่เขาได้ทําความดีช่วยเหลือเพื่อนฟูงก็มีความซื่อสัตย์สุจริตในงานการการที่ทำให้การที่เราพูดถึงสิ่งดีๆที่เขาได้เคยทำนะและการที่เราได้พูดถึงสิ่งที่เขาภาคภูมิใจก<ม>็จะภาคภูมิใจทั้ง<ม>ที่เขาเป็นครูที่ดี<ม>ใช่ไหมซึ่งถ้าเรารู้ประวัติเขาก็ช่วยทําให้เขาเนี่ย เกิดเขาสูว่าชีวิตเขเนี่ยเป็นชีวิตที่มีคุณค่าการที่เขาเกิดมาเป็นเป็นการเกิดมาที่ที่ได้ทําความดีให้กับโลกให้อย่างน้อยทำความดีให้กับคอรอบครวัวเนี่ยเราก็จะพูดตรงนี้แต่ณขณะเวลานั้นนะคะคือเวทนาจะสูงมากและยิ่งไม่ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมะคะ่ะจะข้ามพ้นตรงนั้นได้ยากเออยิ่งต้องพูดใหญ่เพราะว่าถ้าไม่ ไม่ทำให้าไม่ไ ม, ไม่พูดเลยจิตเขาก็จะไปเกาะกับเวทนาดิโนมาจะเวทนาใช่จิตเขจะไปเกาะทุกขเวทนาแล้วก็ยังมีมันยังมีมันยังมีสิ่งที่เรว่านิมิตกรรมนิมิตคตินิมิตกรรมนิมิก็คือนิมิตเกี่ยวกับกรรมเกี่ยว ก, กับการทํา <c oughs> ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่คนเราส่วนใหญ่มกักจะไปเกาะกับความผิดพลาดที่ไม่ดีคุณทําความดีมาตลอดแต่มีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆคุณไม่ได้มีคุณไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เวลาตาย ตอนที่พ่อแม่ตายคุณไม่ได้อยู่ไอ้พวกเนี้มันเกาะจิตนะพุทธขึ้นม า, นมาอม อ, าอะไรทํานองเนี่ยหรือว่าได้ได้ทําอะไรไม่ดีกับลูกใช่ไหมด่าว่าลูกไม่มีอะไรให้กับลูกทำควาดีมาตลอดนะแต่ว่ามันเจอตรงนี้ยมันก็ติดไงแต่พอเราพูดถึงความดีของเขานะความดีของเขาเนี่ยมันก็ทําให้จิตเขาเนี่ยน้อมไปสู่ ภาวะที่เป็นกุศลแล้วนะอาตมาพูดว่าหลายคนเนี่ยเขาไอความทุรนทุรายกระสาวกระส่ายเนี่ยมันน้อยลงนะมีทุรนทุรายนี่หมายถึงว่าจิตเขายังไม่ไม่ก็ยังไม่วางเขายังไม่วางไม่บางทีเวทนามันแรงอ่ะเจ้าค่ะ มันแรงมากมันจะมาเป็นระยะระยะอย่างเงี้ยจังหวะเจ็บปวดไปหมดทั้งร่างกายขหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยในชก็มีแต่ว่าประสบการณ์ของหลายของเทตมาพุทธและหลายคนเนี่ยปรากฏว่าไอเวทไอไอความกระสับกระส่ายไม่ได้เกิดจากทุกขเวทนาทางกายแต่เกิดจากทุกขเวททางใจเช่นเออมีมี มีคุณลุงคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นมะเร็งปอดนะแล้วก็ในวนในวสุดท้ายเนี่ยหมอก็ให้ยาที่จะระ ง, งับปวดคลีโอซีเดทนะแต่ว่าพอให้ไม่ทันไหลเนี่ยสงบสักพักก็เดี๋ยวกระสับกระส่ายใหม่ทุลนทุนลายปากแกก็ ขมุกขมิบลูกดูก็ไม่เข้าใจว่าพูดว่าอะไรแต่ก็สังเกตสักพักแกพูดกันว่าเชิงใหม่เชิงใหม่มหมอก็ถามว่ามันมีความหมายอะไรหรือคุยกับลูกสักพักลูกก็เข้าใจว่าเป็นเพราะว่าพ่อเนี่ยตั้งใจอุทิศร่างกาย ให้กับโรงพยาบาลที่เชียงใหม่แกเป็นคนกแพงเพชรใช่ไหมแล้วมาป่วยที่โรงพยาบาลจุฬาหมอก็เลยคู่กับกลมไขว่าไม่ต้องห่วงนะถ้ากว่ามีอะไรเป็นอะไรไปเนี่ยทางโรงพยาบาลจุฬาก็จะรับดูแลให้เรื่องร่างกายนี้นะแกก็สงบเลยนะโชคดีนะคะแกแกแกติดแกค้างแค่เนี้ยแค่นี้เอง แต่บางคนก็ค้างมากกว่า น, นั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งแกก็ป่วยเป็นมะเร็งเมอเงินกระสับกระส่ายมากไม่อยากตายบอให้หมอหช่วยช่วยเต็มที่เลยไม่อยากตายไม่อยากไม่อยอมความตายไม่ได้ อ, อาการกับเดียวกันคือกระสับกระส่ายนะซึ่งหมอก็มีมาตรฐานการการรักษาแล้วคือว่าการให้ยาที่ระงับปวดแต่ก็จะไม่ได้ผลพยาบาลก็ไปคุยกับคนไข้ คนไข้ก็บอกว่าอย่างตายไม่ได้เพราะไอ้ห่วงลูกลูกมีสองคนพี่มผู้ชายซึ่งตอนนี้เนี่ยไปอยู่ในความดูแลของของของญาติแล้วก็ของของพยาบาลซึ่งเป็ น, เ ป, นเป็นเพื่อนห่วงลูก mm. พยาบาลก็บอกว่าอย่าห่วงลูกเลยนะลูกเป็นคนดีและเถอก็เป็นคนดีถึงมีคนที่เขารับเอาลูกไปเลี้ยงใช่ม ขอ้มั่นใจให้มั่นใจในตัวลกูกขอยมั่นใจในความดีของตัวเองแกก็สงบลงแกบอกเนี่ยความทุกข์เบาบางไปแล้วปดสิบเปอร์เซ็นตแต่ยังมียี่สิบเปอร์เซนก็คือว่ากลัวว่าจะตายแบบทุกข์ทรมานมนะพยาบาลก็บอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนดีนะทำความดีมาตลอดนะอย่าได้เป็นห่วง ยังไงเนี่ยพยาบางก็จะอยู่ช่วยเธอตลอดเวลาแกก็สงบลงเลยนะสงบลงตอนหลังเนี่ยพอพอแกก็จะตายเนี่แกก็ถอดถอดหน้ากากเครื่องช่วยใจออกแล้วก็บอกลาคนคือแกแกไปยังสงบนะออยาให้วิธีการที่จะนำทางเนี่ยค่ะอยากดูว่าขั้นตอนเริ่มตอ้นอยังไงเพราะว่าเท่าที่เคยเห็นมาเองประสบกับตัวเองเนี่ยคือแบบจะให้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงแบบ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 เลี้ยงดูพ่อแม่ให้ได้รับความสะดวกสบายเขาเลี้ยงลูกเ ล, เลี้ยงหลานจนทั้งโตพึ่งพาตนเองได้เขาได้อุทิศตนเองให้กับการการให้กับครอบครัวนะยางเนี้ยรวมทั้งการที่เขาได้ทำความดีช่วยเหลือเพื่อนฟูงก็มีความซื่อสัตย์สุจริตในงานการการที่ทําการที่เราพูดถึงสิ่งดีๆที่เขาได้เคยทำนะและการที่เราได้พูดถึงสิ่งที่เขาภาคภูมิใจ ก็จะภาคภูมิใจทัางที่เขาเป็นครูที่ดีใช่ไหมซึ่งถ้าเรารู้ประวัติเ้าก็จะช่วยทําให้เขาเนี่ยเกิดความรู้ว่าชีวิตเขาเนี่ยเป็นชีวิตที่มีคุณค่าการที่เขาเกิดมาเป็นเป็นการเกิดมาที่ที่ได้ทําความดีให้กับโลกให้อย่างน้อยทำก็ดีให้กับครอบครัวเนี่ยเราก็จะพูดถึงตรงนี้แต่ณขณะเวลานั้นนะคะคือเวทนาจะสูงมากและยิ่งไม่ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมค่ะ จะข้ามพ้นตรงนั้นได้ยากยิ่งต้องพูดใหญ่เพราะว่าถ้าไม่ไม่ทำให้ทําไ ม, าไม่ไม่พูด<ม>เลยจิตเขาก็จะไปเกาะกับ<ะ>เวทนาดึงมาจากเวทนาใช่จิตก็จะไปเกาะทุกขเวทนานแล้วก็ยังมีมันยัง ม, ม, งมีมันยังมีสิ่งที่เรีวันนิมิตกรรมนิมิตคตินิมิตกรรมนิมิก็คือนิมิตเกี่ยวกับกรรมเกี่ยวกับการทํา <Okay. S 2> ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่คนเราส่วนใหญ่มักจะไปเกาะกับ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 ทำความดีมาตลอดนะแต่ว่ามาเจอตรงนี้มันก็ติดไงแต่พอเราพูดถึงความดีของเขานะความดีของเขาเนี่ยมันก็ทําให้จิตเขาเนี่ยน้อมไปสู่ภาวะที่เป็นกุศลแล้วนะอาตมาพูดว่าหลายคนเนี่ยเขาไอ้ความทุรนทุรายกระเสริกระส่ายเนี่ยมันน้อยลงที้ทุรนทุรายนี่หมายถึงว่าจิตเขายัง ไม่ไม่ก็ยังไม่วางก็ยังยังไม่วางยังไม่บางทีเวทนามันแรงอะเจ้าค่ะมันแรงมากมันจะมาเป็นระยะระยะอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเจ็บปวดไปหมดทั้งกายเขาหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่ว่าประสบการณ์ของหลายของที่เทตมาภพแล้วก็หลายคนเนี่ยปรากฏว่าไอเวทไอไอความกระสับกระส่ายไม่ได้เกิดจากทุกขเวทนาทางกายแต่เกิดจากทุกขเวททางใจ เช่นมีมีมีคุณลุงคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นมะเร็งปอดนะแล้วก็ในรนสุดท้ายเนี่ยหมอก็ให้ยาที่จะระงับปวดเคลืซีเดตนะแต่ว่าพอให้ไม่ทันไรเนี่ยสงบสักพักก็เดี๋ยวกระสับกระส่ายใหม่ทุรนทุราย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 คอยมั่นใจให้มั่นใจในตัวโลกูกขอยมั่นใจในความดีของตัวเองแกก็สงบลงแกบอกเนี่ยความทุกข์เบาบางไปแล้วแปดสิบเปอร์เซนต์แต่อีกมียี่สิบเปอร์เซนก็คือว่ากลัวว่าจะตายแบบทุกข์ทรมานมนะพยาบาลก็บอกว่ า, าเธอเนี่ยเป็นคนดีนะทําความดีมาตลอดนะอย่าได้เป็นห่วง ยังไงเนี่ยพยาบาลก็จะอยู่ช่วยเธอตลอดเวลาแกาก็สงบลงเลยนะสงบลงตอนหลังเนี่ยพอพอแกใแกล้ตายเนี่ยแกก็ถอดถอดแต่หน้ากากเครื่องช่วยใจออกแล้วก็บอกลาคนคือแกแกไปอย่างสงบนะแล้วนานนานแค่ไหนคะที่พระอาจารย์เป็นผู้นำทางที่จะดูแลผู้ป่วยก่อนเตียาตายก่อนที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ขึ้นมาคะก็ แปี42มาอยู่ทั้งถึงปี45 46นะแต่ต่อมาก็จริงๆแล้วนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้งานไม่ได้ชุกเรื่องนี้นะ <c oughs> แต่ว่าจะให้จะจ ะ, จะแนะนําจะให้ความเห็นจะช่วยนะ <c oughs> แล้วก็จะแต่เรื่องของการช่วยนำทางผู้ใกล้ตายเนี่ยก็ก็มีอยู่บ่อยๆแล้วก็ สัประมาณได้ไหมเจ้าคะว่ า, ปาไปแล้วประมาณเท่าไก่อน <c oughs> อ๋อ ไ, <ด>ไม่ทร<ส>าบแต่ว่ามีขึ้นชื่อว่ามักจะพูดล้อเรื่องว่าคนไหนที่จะมาไปไปเอี่ยนมักจะมักจะมักจะอยู่ได้ไม่นานคือมีการแนะนำก่อนหน้านั้นไหมคะคือถ้าไปแนะนำ <c oughs> ในวันที่เขาจะเสียเลยเนี่ยมันมันนั่นมันจะต้องมีการแนะนำอะไรกันมาก่อนได้คุยกันมาก่อนก็จะก็จะบอกก็จะบอกบอก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 และคนที่จะรู้จักจิตใจของคนไข้ดีเนี่ยรวมทั้งรู้วิธีที่จะปลดเปลืองสิ่งค้างคาใจเนี่ยคือญาติเพราะบางครั้งเนี่ยความค้างคาใจเนี่ยมันเกิดขึ้นระหว่างคนไข้กับญาติอย่างเช่นมีมีมีหนุ่มคนนึงเนี่ยแกประสบอุบัติเหตุรถยนต์แล้วก็สมองกระทกระแทกโคมา่า นพ่อเนี่ยก็พยายามให้หมอนช่วยเต็มที่นะยอมรับความตายของของลูกไม่ได้นคนไข่เนี่ยแกไม่ตอบสนองแต่ตากะเปิดตากะเปิดตาเปิดเนี่ยคือว่าช่วงที่พ้าโค ม, มา่าแต่เปิดตาลืมตาอยู่ไม่ยอมก็อาการก็หนักแต่ว่า เมยก์กมีการพยายามที่จะยื้อยุดเอาไวนะ้พ่อที่แรกเนี่ยไม่อยากให้ลูกตายแต่ตอนหลังเห็นลูกอยู่ในสภาวะเช่นนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่ายื้อไม่ไหวนะแต่ว่าลูกก็ไม่ยอมไปพ่อเนี่ยเสร็จแล้วแกก็ได้คุยกับลูกมีสื่งที่ค้างคาใจพ่ออยู่นะก็คือความรู้สึกที่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 นะขอโทษลูกที่ได้เคยดูด่าว่ากล่าวลูกนะแล้วก็อยากให้ลูกเนี้ยเขาไปสงบแล้วพอพูดจมเนี่ยลูกแกก็ลมหายใจก็หมดไปเลยนะฮะคือแบบนเนี้ยนะ <c oughs> เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆแล้วก็มีลายเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเพื่อนเป็นเป็นเป็นพี่ของเพื่อนแกเป็นมะเร็ง ต้านมแล้วก็พยายามรักษาด้วยวิธีการาต่างๆมากมายแต่ก็ไม่หายแล้วก็เป็นยนี่มาสีห้าปีเสร็จแล้วครั้งสุดท้ายเนี่ยอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องท่อน้ำดีอุดตันซึ่งทำให้พิษเนี่ยมันแผ่ซ่านไปทั่วตับตับก็จะแย่ต้องรักษาโยงคนนี้เนี่ยบอกว่าไม่รักษาแล้วเพราะว่าไม่อยากทุ่มาแบบนี้แล้วอยากจะกลับบ้าน ใช่ไหมอว่าถ้าคุณไม่รักษาเนี่ยคุณจะคุณจะทุรนทุลายนะเพราะพิษมันจะเต็มทั่วร่างกายของคุณตลอดคุณจะอยู่ได้ไม่เกินเจ็ดวันถ้าคุณไม่เบลอหมดสติคุณก็ทุรนทุลายกระสับกระส่ายแต่ว่าคนไข้เนี่ยตัดสินใจแล้วว่าจะขอกลับบ้านไปตายที่บ้าน แล้วบอกว่าตลอดเจ็ดวันเนี่ยนะญาตนะิแม่พี่น้องสามีลูกหลานก็มาก็มาห้อมร้อมเป็นกำลังใจไม่ได้เป็นกำลังใจใเฉยชักชวนนะคนไข้ทำวัดสดมนมนะแล้วก็ทุกวันทำสมาธิบ้างแล้วก็พอสองสมาธสุดท้ายเนี่ย ก็ชวนคนไข้เนี่ยนะให้น้อมนึกถึงพระรัตนตรยัยให้เอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งให้เดินตามพระรัตนตรัยคือพระพูติปธมพระสงฆ์ไปอย่า ก, กลัวนะและขณะเดียวกันเนี่ยก็บอกให้เขาเนี่ยนะให้โหสินะให้โหสิแก่ทุกคนตลอดรวมทั้งเจ้ากรรมในเวร น, นะและขณะเดียวกันญาติ ก็มาขอขามาอมขอโหสิกด้วยเพราสุดท้ายเนี่ยนะเจ้าตัวก็ยังมีความรู้สึกตัวอยู่ใช่ไหมตอนเที่ยงยังขอกินข้าวอยู่เลยแต่พอให้กินข้าวไปได้คำสองคํา็ก็ไม่ไหวตอนบ่ายญาญญาเนี่ยก็ช่วยกันสวดมนต์พันจบนะแบบจีนนะนะสั้นๆพันจบ ก, ก็ยังรู้ตัวดี แต่พอสวดไปได้สักหกร้อยจบเกยก็นิ่งไปแล้วพอไปดูปรากว่าหมดลมแล้วแต่ว่าญาติๆก็ยังตกลงว่าจะสวดต่อจนครบพันจบเป็นของขวัญสุดท้ายให้กับคนไข้ ค, คนไข้เนี่ยรู้ตัวเกือบตลอดเลยใช่ไหมจงกระทั่งเกิดเวนาที่สุดท้ายมหมดหมดลมแล้วก็นิ่งเนี่ยหมดลมแล้วก็ไม่มีตัว แต่ไปไปอ่าใช่ไปแบบนิ่งเนี่ยซึ่งหมอเนี่ยก็งงเพราะหมอบอกว่าจะทําไม่เบรอหมอสักจะก็เออแล้วนี่เกยจะรู้ตัวจนเกิดจะห้าอาทิตย์สิบนาทีสุดท้ายแล้วทั้งหมดที้เกิดขึ้นเนี่ยโดยโดยความลู้มือของญาติอพระไม่ได้ยุ่งเลยใช่ไหมอาตมาก็เคยไปไปเทศให้กับคนไข้รายนี้อยู่นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ช่วยจริงเนี่ยคือญาตินะ เทคนิคก่อนนะนั้นจริงเราจะช่วยไกลไครรู้ตัวจะได้เตรียมตัเตรียมตัว <laughs> แล้วช่วยเราไปช่วยแบบบางทีเราเราก็จะได้ทำไงนะเผื่อพ่อแม่เราจะได้รับอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่อหมย <laughs> ัง <laughs> ไม่ทราบว่าจะไปดีหรือไม่ดีก็อยากจะทราบมืนกันว่าเออไปดีหรือไม่ดีแล้วก็แต่ว่าก็ก็ฟังฟังครูบาอาจารย์เลยนะ <S <S ท่านก็บอกว่าเออให้กราบขอพมาพ่อแม่ที่เราได้รุ่งเกินแล้วก็ เวลาดตว่าเราจะเป็นคนดีอะไรอย่าง้ยอาจารย์อย่างเคสนี่เป็นน้าของโยมด้ค่ะตกไปเก็บจำปาเช้ามืดคือกิ่งที่แกยืนหักมันหักมันหักแกก็คว้าปรากฏว่าไอ้กิ่งที่คว้าก็หักแกก็เลยลงมาแล้วลงแล้วต้นจำปาที่สูงใหญ่มากต้องขึ้นบันไดไปถึงจะไปเก็บดอกได้แกทำนี้มาตลอดพอตกลงมาเนี่ย มันก็เป็นพื้นอทางถนนออกประตูบ้านเนี่ยเป็นปูนซีเมนมันก็ดังพักใหญ่มากเรากำลังถุงข้าวเช้าตกใจต้องไปดูนะคะปรากฏว่าเอา่อเลือดออกที่หูนะคะแล้วไม่รู้ตัวทันทีแล้วปรากฏว่าลิ ม, ล ม, ลมเ อ, เอตรงเนี้ยค่ะไอ้ซิโครงเนี่ยหักหักหักไปแททงปอดคือลงข้างหมดเลยด้านนี้คุณแม่ก็เอาไอ้แป้อยอวนี่ให้โดนแกเอามือปัดแกเอาข้างเนี่ยปัด ปัดก็ส่งเิรีลาชเพราะว่าบ้านอยู่ซีแยกเิรีลาชเบลซอดบ้านช่างหล่อซึ่งไม่ไกลพอไปถึงเขาเขาก็ดูม่านตาแสดงพอาม่านตามันขยายเนี่ยมันก็หมดหมดทางแล้วเพราะเลือดออกที่นี่พยาบาลเขาก็ยากจะไปส่งด้วยความตกอกตกใจเขาก็บอกว่า่าผู้ป่วยเนี่ยสงสัยไม่รอดแต่อยากขอดวงตาเพราะดวงตาดีมากขอดวงตาได้ไหมเขาจะขอเขา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 ที่บ้านน้าประจําแล้วท่านก็หยุดไปบ้างมาบ้างท่านไม่รู้เรื่องตายของน้าเลยท่านก็มารับบาตรเมื่คืนฝันว่าเอมเอาชื่อชาเอมนะเอาดวงตาใส่มือไปให้บอกผมมาถวายให้ท่านแสดงว่าจิตเข้าให้นะหลวงพ่อใช่ทําไมเขาละแล้วนะที่จริงแล้วเนี่ยหมดหมดไปแล้วนะคะก็ตอนหลังจิดมันวิญญาณมันเรื่องลอยออกมายังรับรู้เนี่ยะค่ะยังบอกยังอยากถามหลวงพ่ออยู่เนี่ย โอ้คิวตอนนั้นยังคงย่อมยังไม่ยังไม่ไปคุณยังไม่ไปที่หมอที่หมอมาขอนะไรนี่คือจิตลอยมารับรู้แล้วจิตรับรู้แต่จิตให้จิตเข้าให้เขาคงได้ทําบุญน่ะปรากฏว่าไม่ได้ให้กันน่าเสียดายมากคือเราไม่เข้าใจ เพราะว่าคนใกล้ตายเนี่ยเพกกลัวว่าไปคาดหน้าไปตาบอดอ<ม>ะไรพวกเนี้ยเขาผิดผิดมากๆเลยเดี๋ยวถามอาจารย์ได้ไหมคะก็ <c oughs> ถามได้ <c oughs> โอ้โจริงจอ่ะเคสถามย่แย <c oughs> มากเลยเพราะว่าเรื่องใกล้ตายแม่ผแล้วพีเเงเป็นพยาบาลนี่นะคะอาจารย์พอเรามาปฏิบัติแล้วเรารู้เลยว่าโอเคในกําลังจะไปและเรายาติเข้ามายืนอยู่ญาติก็จะร้องไห้ทายเดี๋ยวพรรู้ว่าจะไปเราเลยบอกว่าอย่าอย่าร้องไห้เลย จิตเข้าลอยออกมาอย่างเงี้ยก็ไปฟังพระอาจารย์บุญฤทธิ์ท่านบอกลูกที่แม่สนิทสนมที่สุดเนี่ยให้คนเนี้บอกทางนะไม่ต้องไปถูกนะคะเนื้อต้องเตือเลยให้แม่ประคองใจเองแล้วจิตที่เข้าลอยออกเนี่ยให้ลูกคนนี้บอกทางแม่พุโทโธพุโทโธนะแม่นะพุโทโธตลอดเวลาเงี้ยนะหรือเปิด ไม่เปิดส่วนมนให้ได้ยินก่อนที่จะไปให้ประคองไปเองเนี่ยเราก็ไปบอกให้เขาทําอย่างเงี้ยแต่เขาไม่มีเทปไม่อะไรเดนก็เลยไปบอกเองเอาพุโทโธไว้นะคะอย่าไปสนใจเลรืล่างนี้มันเจ็บมันปวดทิ้งเลยทิ้งเลยนะคะอย่าห่วงนะทิ้งนะแล้วไปกับไปกับพุโทโธเลยพุโทพโธไปเรื่อยๆค่ะพุทโธเรื่อยๆเราบอกอย่างนี้เลยนะนี่คือพยาบาลแล้วแต่งชุดพยาบาลด้วยคือบอกอเพรเป็นเวนเป็นเวนตรวจการอยู่ตอนนั้นนะคะก็ปรากฏว่า สิ่งที่รู้ว่ามึงค้อยไปแน่พยาบาลเนี่ยเขาเดินน้องพยาบาลเอายามาฉีดมันไหลออกนอกเส้นหมดไม่รับแล้วอะเราก็เล็กก็ไปแน่นะเนเบอกเลยตรงนั้นจนกระทั่งแกไปหมดไปยอมก็ยังดีใจยังเล็กว่าได้เราตายอะ่ะให้มันมีทางไปดีเถอะแล้วเรานะคะแต่ดเดิม่ทรี่มียยทีมเผชิญความตายอย่างสงบเนี่ยเป็นเพราะหมอพยาบาลที่เขาจัด โครงการนี้อืแล้วเป็นโครงการที่เขาจะคุยกับคนไท้ที่เขาเรียกว่าหมดหวังนะครับของพ่ะแล้วพวกนี้เขาจะเริ่มทําใจเพราอยากคุยกับหมอพยาบาลเวลาเขามีปัญหาจะบอกพยาบาลตามเลยสิตามพยาบาลคนนี้หน่อตามหมอคนนี้หน่อยสิเขามาคุยด้วยแล้วสบายใจจังสบายใจจังเขาก็จะต้องเขาจะพยายามหาทีมให้ใหญ่ขึ้นโยมก็ถูกตามไปด้วยกันโรงพยาบาลภูมิพลอายุทยาค่ะตอนนี้มีทีมนี้ค่ะดีอืม มีพิมที่จะคอยอธิบายให้ญาติฟังว่าญาติเนี่ยจะต้องทําใจนะไม่ช่วยใช่ไห้เอาไม่ช่วยแน่นอนเราไม่ช่วยพอนคนไข้ใกล้ไปเนี่ยเราจะไม่ปิดฉากแบบไม่ให้เขาไปเห็นกันเลยไม่ใช่ให้ญาติเข้าไปบอกทางนะถ้าพียงทาพูดแล้วก็ถ้าร้องแค่คุณร้องไห้โหเข้าไปกับร้องไห้ไปไม่ดีนะเราจะบอกอย่างนี้ทีนี้ไอ้ความสนิทสนมปลอมเปลืองถ้าญาติไม่เคยปฏิบัติ อดไม่ได้ยมเล็กอย่างเองห้เลยตอนแม่จะไปพอนึกได้แม่พุดโธพุทโทไแต่เสียงสั่นแล้วนะรู้แล้วแม่กำลังจะไปแกก็แอนก็สามเทแล้วก็หลับตาลงไปเลยที่โรงพยาบาลคือเมื่อกี้ที่พระพระอาจารย์บอกว่าสำคัญที่สุดของคนที่จะบอกคนที่อยู่ใกล้ตายเนี่ยคือคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดแต่นี่คนคนที่จะตายที่เราเห็นในปัจจุบั น, นส่วนใหญ่จะอยู่ที่โรงพยาบาล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 ที่โรงพยาบาลหรือว่าเข้ามาอบรมกันที่วัดเจ้าคะอ๋อเราจัดอบรมในที่ที่สะดวกเช่นอาจจะเป็นอ า, อาจจะเป็น จ, จะเป็นสถานที่สัมมนาครั้งแรกมีประชาสัมพันธ์กันยังไงเจ้าคะ ท, ที่มาครั้งแรกนี่ก็มันเป็นส่วนหนึ่งของนทรรศการของกระทรวงสาธารณสุขเราจัดที่ไบเทคตอนนั้นก็มีกิจกรรมหลา ย, ลายด้านเจ้าคะ่ะการ การระดมเพื่อช่วยผู้ป่วยให้ตายสงบเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการก<ค>ิจกรรมนี้เป็นคนเสนอ ก, กิจกรรมนี่เข้าไปในในในทั ศ, ศการนั้นเจาา้าคะอ๋อตอนนั้นตอนนี้เนี่ยเออมันมีสํา น, นักยุทธศาสตร์และสํา น, นักยุทธศาสตร์แผนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขก็ทําเรื่องนี้ก็สนใจค่ะนะคุณหมอกกม่าจึงเส็กทราพย์ก็ น, นี้ก็เป็นคนที่สนใจเรื่องนี้นะแล้วก็ คือปัญหานี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่แพทย์พยาบาลเนี่ยเขาสนใจมานานเพราะเขารู้สึกว่ามันมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งกันตรงนี้ก็เยอ ะ, อะอแต่ว่าปัญหาที่เขาเป็นห่วงก็คือว่าการที่ผู้ป่วยเนี่ยตายแบบทุรนทุรายซึ่งเขาไม่อยากให้มันเกิดแบบนี้ เ, เขาคิดว่าการที่ผู้ป่วยตายสงบนี่น่าจะดีกว่า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 บางทีมันสู้การที่เขาเจ้าไปอย่างสงบไม่ได้แม้เขาจะเจ้าไปอย่างเร็วกว่าการยื้อชีวิตแต่ว่าถ้าเขาเจ้าไปอย่างสงบมันีะดีกว่าคือถ้าถ้าเรารู้ว่าเขาตายแน่ๆเนี่ยไม่ต้องไปยือ้อแต่ถ้าเรารู้ว่าถ้าทําไปแล้วจะรอดมีโอกาสรอดมันก็น่าที่จะพยายามช่วยเหลือตอนนี้ในกรณีที่คนไข้นอนแล้วมีเครื่องช่วยหายใจแล้วก็เขาบอกว่าถ้าถอดเมื่อไหร่เนี่ยพวกนี้คือ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 จากไปธรรมชาติเนี่ยก็คงจะไม่สามารถจะอยู่ได้เรามองได้หลายแง่ในกรณีนี้คือการถอดเครื่องหายใจเราจะมาว่าเป็นการช่วยเขาได้กลับคืนสู่การจากไปยังธรรมชาติก็ได้นะอย่างถ้าจารพุทธทาสเนี่ยในช่วงีแรกๆก็พยายามยื้อชีวิตเอาไว้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 มีการพยายามยื้อชีวิตทันาไว้แต่ตอนหลังก็ยื้อไม่ไหวก็พาท่าน ส, ส่งกลับสนโม่นะก็กระบวนการช่วยชีวิตด้วยเครื่องเทคโนโลยีก็เป็นนัยยุติท่านก็ค่อยจากไปอย่างสงบเป็นการจากไปอย่างเป็นธรรมชาติตามที่ท่านต้องการตอนนี้คาถามก็คือว่าการที่เราเอาเอาอท่อช่วยหายใจออกเนี่ยมันจะเป็นการ ค่าไหมอาตมาคิดว่ามันก็ไม่แน่เสมอไปเพราะว่าเราจะมองว่าเป็นการพยายามช่วยให้คนไข้นี่เขได้กลับคืนสู่สภาพการตายแบบธรรมชาติก็ได้ให้จังหวะการตายให้จังหวะชีวิตเขาเป็นไปอย่างตามธรรมชาติ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 ก็พิจารณาดูว่าต่อไปเราจะเป็นอย่างนี้ไหมเข้ามาเผาคนนี้ที่มีเงินทองมีลาบยกชื่อเสียงเกิดต่อไปเราจะต้องเป็นอย่างนี้ใหม่ทุกคนต้องเป็นอย่างนี้ใหม่พ่อแม่พี่น้องญาติของเราจะต้องเป็นอย่างนี้ ก็ต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนแล้วใันจะหนึ่งได้ไหมคติธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกระตับพยูหจากหนังสือเตรียมใจไว้ก่อน